ครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาคุย ค่อนข้างจะหายากซะหน่อย 200 กว่าปีล่วงมาแล้วคน ทีนี้ก็มีการจัด มีหัวหน้าและลูกบ้านอีกจํานวนนึงก็อยู่อาศัย ก็มีความเห็นว่าเราควรจะสร้างวัดอ่ะ มาบวชชีรักษาศีลเจริญภาวนามันก็จะ ชาวบ้านมากันเยอะนี่มาช่วยกันอ่าพอปัดดินออกก็เอ๊ะทองทองอ่าหยิบขึ้น ชาวบ้านทั้งหลายรู้ข่าวก็แสนจะดีใจวัดว่าวัดหัวทองสําหรับชาวบ้านจะเรียกที่ 2 ก็นิมนต์หลวงพ่อไตรหลวงพ่อไตรนี่เป็นคนลาวเวียงจันทน์ เสือกให้กลายเป็นงูทั้งยังเป็นผู้ชํานาญในเรื่องแพทย์โบราณจากความเก่งกล้าทางอภิญญาวิทยาคมหลวงพ่อไตรเนี่ยบรรดาลูกหลานทั้งหลายในสายสกุลเลือด สายตระกูลของหลวงพ่อไตรนี่ล้วนเป็นพระเถระที่ทรงเนี่ยนะ ก็ไม่น่าสงสัยเลยว่าๆหรือว่าพระอภิญญาเนี่ยมักจะโด่งดังชาติถูกภัยสงครามตามล้าง บางทีกระสุนฝ่ายเรามีน้อยเพราะว่าเราไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่นี่ชาติเรากระสุนน้อยตัวต่อตัวแทนมาช่วยรบใครมีวัวธนูควายธนูมีพูดผีปีศาจบังคับได้ก็ให้ออกไปช่วยอ่ากองทหารผีกองพัน เรื่องของหลวงพ่อน้อยเนี่ยครับก็มีลุงข้างๆวัดแกชื่อลุงสิงห์ เข้าฐานก็เข้าร่วมสงน้ําทําภารกิจส่วนตัวอ่าเสร็จแล้วท่านก็ตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณวัดดูต้นไม้ใบยาดู กะนั่งฉันเป็นหมู่เป็นวงหมู่ไหนกับข้าวมากท่านก็ชี้นําให้เอาไปให้วงน้อยเนาะเพิ่ม บางแต่เวลาใจดีก็เหลือหลายก็ดูน่ากลัวแต่เวลาใจหนีตัวตรงๆเลยเอ่อคนสมัย ไม่ว่าจะทุกข์ยากลําบากเจ็บๆโตๆขนาดมี ตอนที่ผมเป็นหนุ่มมาเป็นเถอยบ้านเนี้ยความจริงผมไม่ ที่นี่ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีสหหลวงพ่อคุมงานไม่ให้ล้มแล้วเอาไว้ตีไม่รู้ว่าเป็นหวายตันๆหรือ ท่านเดินตรวจงานสบายเจ็ดวันตรวจงานสบาย 7 วัน 7 คืน 9 วัน 9 คืนก็ช่างอ่าปรากฏว่าทั้งนั่งสงบเสงี่ยมไม่ดิ้นไม่รนสร้างเมาเมื่อ แข็งมากนะใครที่เคยเห็นหรือว่าท่านหันมาสบสายล่ะอ่าพระเก่งๆ ใครๆก็ยกย่องว่าท่านเป็นผู้สําเร็จนะท่านสําเร็จ ย่นย่ำคำหนึ่งขึ้นฟังไปนะตอนนั้นหลวงปู่ดีเค้า คนที่ไม่เคยพบเห็นจะหลบสายตาความจริงก็ไม่ใช่จะดุอย่าง ทำมองไปแล้วรับสารภาพหมดเลยทำอะไรผิดมา ผู้ชายคนนี้ก็รู้ว่าแม่ของผู้หญิงที่ๆแม้ว่าจะเน่า แม่ถึงตายทีนี้หนุ่มมันรู้ว่าๆบ้าน ศีลีจํานวนของความพยาบาทจองเวรก็ถูกจดขึ้นในกิน ตังคงวรรณะซึมคืนน่ะเปรี้ยววันมึงจะตายอ่าไม่พูดไม่ ความจริงที่ผมรู้นะก็ว่าไอ้หนุ่ม ปีกษึที่สิงอยู่ในร่างของผู้ชายคน วันนั้นตอนบ่ายๆท่านก็ไปบ้านคนป่วยหลวงพ่อน่ะท่านรู้ หลวงพ่อน้อยท่านก็บอกว่าเอ้าเงยหน้าขึ้น เป็นเสียงของผู้หญิงแก่ๆบอกว่าฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วฉันจะกลับบ้านฉันแล้วอย่าทําฉันเลยฉันกลัวเหลือเกินจากนั้นเสียงก็ดังเกลี้ยวกราดดุร้ายพยาบาลจองเวรกับผู้ชายคนป่วยนั่นไอ้เสียงร่ําร้องที่น่าสงสารน่ะ แต่สิ่งที่กระสือรับสภาพออกมาก็คือชื่อบ้านที่อยู่อาศัยตำบลหมู่บ้านบอก อีกกะสื่อกะปุญญ์ที่เล่าใจถึงกับปู่คอ พวกโจรพวกอะไรพวกนี้เขาปฏิบัติคล้ายๆกันข้อวัดปฏิบัติของเขาคือข้อที่ 1 พ่อสีจะไม่ทําชั่วหากิน 5 คือรู้ 5 ข้อเนี่ย 1 สําคัญมากที่สุด เวทวิชาอาคมที่เราเรียนก็นับได้ว่าจะขลังหนักๆจริงๆนะคนหนุ่มคนสาวๆเล็กๆพูด ท่านอยู่นครปฐมเนี่ยท่านก็เลยคุ้นเคยกับพระเถระสําคัญสําคัญในแถบนี้ตอนนั้นนี่มีพระดังๆเยอะหลายองค์แถบนครปฐมเขตนี้หลวงพ่อเต๋อพระสาม ตอนนั้นชาวบ้านก็รู้หลวงพ่อน้อย คนที่เคยได้ยินคนที่เคยได้ยินเรื่องราหู ใครมีบูชาก็มักจะเกิดโชคลาภเจริญด้วย 3 ราหูอมจันทร์สามารถนําไปแก้สามารถป้องอ่าพวกอาถรรพ์ป้องกันคุณไสย 4 แก้วเสนียด มีคนรักใครคนรักใคร่สามัคคีมีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงาน ไม่เจ็บปวดทรมานมากนะตอนนั้น นามพระพุทธมนต์นี้พรมบ้านเรือนป้องกันโจรผู้ แถวนครชัยศรีญี่ปุ่นเยอะทีนี้พวกผู้ชายมันก็ทนกันไม่ไหวจับทหารญี่ปุ่นปาดคอไป แล้วก็เดินข้ามท้องร่องสวนหายไปทหาร หมายถึงจิตใจของท่านมีความ วิชาสร้างราหูอมจันทร์ด้วยกะลามะพร้าวตาเดียว ตอนนั้นเอาเขียนไว้ว่าเห็นโฉมยงทรงตรา พูดด้วยลิ้นขัดแข็งกระด้างเหมือนอย่างใบไม่ใครชัดด้วยลิ้นขัดแข็งกระด้าง บอกว่ามันบอกว่าข้าชื่ออย่องตอดเที่ยวเด็ดลอดลืมเรือนฝืนสถานมา ขนาดบอกว่าเว้นแต่ตราพระราหูสู้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นปีศาจขนาดไอ้ย่อง อาศัยว่าพ่อน่ะมีความชํานาญในๆภาษาลาวภาษาขอมภาษา ไม่มีความหวาดกลัวไม่ว่าอะไรจะ ทำจิตใจให้เกิดอนุภาพเป็นสมาธิก็ ปีนั้นรู้สึกจะเป็นปี พ.ศ. 2456 ปีฉลู จากนั้นแล้วก็พยายามฝึกผลเกี่ยวกับวิชาอาคมก็กลับไปอยู่จำวันสา ไปทุรดงไปผุดผนความหลุดพ้นเดินทุรดง ศาสตราเล่นลับนี่ท่านถ่ายทอดอ่า แต่ว่าคล้ายๆครูว่าท่านในลักษณะกิริยาท่าๆในอดีตมันขยายตัวๆตามมาๆการเจ็บการป่วยเล็กขโมยน้อยติหินนินทาตบตีต่อย หลวงพ่อน้อยท่านก็คอยอบรมสั่งสอนแม้ว่ายามเจ็บป่วยสมัยนั้น สงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อเป็นภิกษุที่ทรงวิชาอยู่ อ่าทำวิปัสสนากรรมฐานหนักอ่ามีปัญญาแสวงหาความสงบ 2488 ปวด แต่ท่านก็ยังครองสติอยู่ท่านก็ยังครองสติอยู่นะเสร็จแล้ว 10 ธันวาคม 2488 นะนะวันนั้นอาการท่านๆบอกว่ามา จากนั้นท่านก็นิ่งอยู่กระทั่งถึง 11:00 น. น, น, น, น, 11 น. ตรงอ่าก็มีคน 10 ธันวาคม พ.ศ. 1488 53 ปี ครับนั่นก็คือเรื่อง